ท่านขยับเคลืนิ่งลุกขึ้นแล้วก็นั่ง แ, แสดงให้ <c oughs> ใหเห็นใย่ชัดคือท่านจะไม่ได้พูดถึงเรื่องาธาตุขันอยตนะอะไรมากมาย่านได้พูดถึงการกระทำให้รู้สึกอันนี้คือเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็ท่านจะใช้ภาษาพื้นพื้นธรรมดาที่เราพูดกันนี่แหละนะ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 วันๆันเขาจะถามกั้วันนี้เป็นยังไงจเจริญสติประทานบทไหนแล้วก็รู้สึกเป็นยังไรสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไเงเ ข, เขาเขาจะถามแต่คุณสมัยถามกันด้วยยังไงวันนี้หุ้นขึ้นเท่าไหร่รตัวไหนมาก่อนแล้วตัวไหนมันลดถามไปนู่นตลอดเวลานมีโลหิตจิตของเราขอองาตลอดแต่สมัยนั้นเขาจะถามวันนี้เป็นไงใจคุณคิดกี่เรื่อง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 ร่ำรวยขนาดไหนเราจะมีชื่อเสียงขนาดไหนเราจะเก่งในวิชาการต่างๆขนาดไหนเนะี่ยถ้าหากว่าตัวนี้ไม่มั่นคงตัวนี้ไม่ตั้งมั่นนะไม่มีความหมายเลยนะสิ่งเหล่านั้นวิชาการต่างๆากาีฬาชนิดต่างๆที่เราฝึกมาอย่างช่ำชองเสร็จแล้วมันก็หันไปมันกลับมาทุกข์มือนเดิมนะแต่ถ้าเรามีตัวรู้สึกตัวนี้เนี่ยเราจะมีอะไรไม่มีอะไรเราจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราก็มีความสุขเราจะมีเงินเราก็มีความสุข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 อลิแล้วนั่นแปว่าค่าศึกใช่ไหมอลิลายศัตรูอลิเติมยากเข้าไปแล้วแปลว่าผู้ไปไกลจากคายศึกคายศึกของเราคืออะไรอิเลสตัวไหนว่างความโลภแต่แล้วเรารู้ว่าโลภปุหลงเป็นค่ายศึกแต่ทาไมเราไปวิ่งหาใส่คายศึกเนีมาเองหรือเราวิ่งหามัน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 เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาคนในโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่น่าจะเป็นเหมือนนั้นแบบเขาเนะาหามุมหนึ่งหลังจากรู้เรื่องนี้ดีแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกอิสระและชุบอยู่ไหนก็ได้กินไหนก็ได้มันก็ไม่กลัวอะไรนะโลกนี้มันจะพลิกเปลี่ยนหมุนเวียนมันจะล่มสลายยังไงก็ไม่ไม่กลัวละมีความมั่นใจขนาดนั้นนะ